พระธรรมตามพระใยปิดกครั้งที่หนึ่งร้อยแปท่านจงยึดฐานะบารมีข้อที่หนึ่งนี้ทำให้มั่นก่อนจงถึงความเป็นฐานบารมีหาท่านปรารถนาจะ บ, บรรลุโพธิญาณโพธิญาณก็คือบรรลุอรหัตมัคคยานอันเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณหม้อที่เต็มน้ำใครผู้ใดผู้หนึ่งคว่าลงก็จะคายน้ำออกจนไม่เหลือ ไม่ยอมรักษาไว้แม้ฉันใดน้ํานี้เป็นน้ําธรรมดานะไม่ใช่น้ําแข็งน้ําแข็งความไม่หกนะถ้าเอาเอาภาชนะเป็นหม้อเนี่ยไปทําให้เป็นน้ําแข็งในนั้นใช่ไหมความไม่ออกนะไม่ใช่น้ำแข็งอนะ่ะแต่ว่าเป็นน้ำเปล่าว่างั้นแต่ความนั้นไหลหกหมดอนะ่ะคือมีคนเขาบอกว่าจะชอบเพียเพ้ยนเียเรื่อยๆนะเขาบอกว่าเออมีหลวงพ่อองค์หนึ่งเขาบอกว่าเออพระพิสุบวดเข้ามานี่จะต้องรักษาวินัยไหมเออต้องรักษาเขาบอกว่ากันเพราะว่า ใครที่บวชเข้ามาจะถืออภิสิทธิ์ว่าเอ๊ะฉันไม่ต้องรักษาวินัยก็ได้ก็บอกเออคุณถ้าถืออภิสิทธิ์ได้คุณก็ลองกินเกลือถ้ากินไม่เค็มแล้วคุณก็มีอภิสิทธิ์หลวงพ่อท่านก็ตอบแบบนี้ใช่ไหมอีกคนหนึ่งหัวใสก็บอกโอกินไม่เค็มจะไปยากอะไรก็ใส่แคปซูลสิคำว่าอันนี้ก็เหมือนกันบอกว่าจะให้ทานโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรก็คือเอาน้ำแข็งนะอุปมาเหมือนน้ำจะเอาน้ำแข็งอแข็งแล้วไม่หกหงายขึ้นก็ยังน้ํายังเหมือนเดิมใชแต่ไม่ใช่แบบนั้นนี่แหละเขา เพราะฉะนั้นท่านเห็นยาจกไม่ว่าจะต่ำสามสูงส่งและปานกลางจงให้ทานอย่าให้เหลือไว้เหมือนหม้อน้ําที่คว่ําลงฉะนั้นเถธอให้ทานมันหม้อความำมางั้นแหละอันที่จริงพวกเรานี่เอาแค่ตักออกจากหม้อธรรมดาธรรมดาก็ยังยากอยู่นะตักออกจากหม้อแบ่งให้ทานม้างะนะก็ยังยากอันที่จริงนะพระพุทภาคทรง์ ตัดสรูเนี่ยพระองค์จะต้องบำเพ็ญพุทธการธรรมอย่างนี้เนี่ยนะแล้วเราจะตัดสรู้ตาม เราจะตัดสรู้ตามพรอมะองค์ k, ตัสรู้แล้วเราตัสรู้ตามพรอม ะ, ะรองค์ตัสรู้ด้วยธรรมะอะไรด้วยบารมีอะไรนั้นแล้วเรานะจะตัสรู้ตามก็ต้องมีบารมีอย่างนั้นแน่นอนไละว่าแต่ว่าจะมากจะน้อยหรือยังไงครก็รั่วควรจะตามสมควรแก่ความปรารถนาความปรารถนาใช่ไหมครับถ้าหากว่าปรารถนาแบบพระอนนท์เป็นต้นก็จะต้องให้ทานเจ็ดวันเป็นต้นนั้นเองในครั้งแรกๆนะครับให้ทานหรือว่าสามารถทําบุญได้อย่างต่อเนื่องเป็นต้นแล้วก็ แรกตั้งความปรารถนาก็ทํากุศลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตั้งความปรารถนาหลังจากนั้นก็บําเพ็ญบารมีมาเรื่อยตามกําลังแห่งสติปัญญาตามกําลังแห่งศรัทธาเป็นต้นแต่ต้องทําจนครบแต่ก็<ม>ต้องครบก็ไม่มีทางที่จะบรรลุมันก<อ>ันเพราะสังสารวัฏนี่มันกระแสมันเชี่ยวนะมันงั้นถ้าหาว่าแรงไม่พอจะขึ้นฝั่งได้ยังไงเจริพรอันนี้ก็เป็นบารมีข้อที่หนึ่งนะซึ่งเรื่องของบารมีสิบนี้เราจะได้ กล่าวโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ให้รู้ทิศทางก่อนว่าบารมีคืออะไรทําไมจะต้องบําเพ็ญบารมีเป็นต้นนั่นเองให้ให้เราเข้าใจเหตุผลคร่าวๆก่อนซึ่งวันอาทิตย์ต่อๆไปเราจะได้ศึกษาเรื่องบารมีโดยละเอียดว่าบารมีคืออะไรทําไมจึงเรียกว่าบารมีบารมีเพราะอัฏฐาว่าอะไรบารมีมีกี่อย่างอะไรบ้างอะไรเป็นปัจจัยของบารมีอะไรเป็นเครื่องเสราหมองของบารมีบารมีผ่องแผ้วได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะ ตัวนี้ถ้าเรียนผ่านแล้วก็ต้องตอบคำถามนี้ได้หมดนะซึ่งโอกาสต่อไปอันนี้ก็ขอให้มันทางทังใหญ่ๆไว้ก่อนนั่งว้างกันลำดับนั้นเมื่อเขาใครควรอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นด้วยคิดว่าธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้เลยเขาได้เห็นศีละบารมีข้อที่สองได้มีความคิดว่าดูก่อนสุมเมศบัณฑิตจาเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบาเพ็ญศีลบารมีให้เต็มเปียก ที่จริงกันนะถ้าเราจะนึกฐานบารมีนึกถึงหมอกความไม่เลยจำไ ม, มย่ยากศีนะ่ะนึกถึงอะไรดีเขาบอกว่าเหมือนอย่างว่าธรรมดาเนื้อจามรีไม่เหลียวแลแม้ชีวิตรักษาหางของตนอย่างเดียวฉั้ใดจําเดิมแต่นี้แม้ท่านก็ไม่เหลียวแลแม้ชีวิตรักษาศีลอย่างเดียวจักเป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนี้นึกถึงหางเอาไว้นึกถึงหางศีลบารมีจำไ ม, มย่ยากแต่หางจามรีนะ เสรแล้วเขาก็ได้อธิษฐานศีลบารมีมันต้องอธิษฐานนะอธิษฐานก็คือสมาทานอะ่ะสมาทานที่จะรักษาศีลแบบนี้คือก่อนหน้านี้ไม่ได้มีมาก่อนรอแต่มาอธิษฐานทําให้มันมีขึ้นอะ่ะข้อที่สองแล้วก็สมาทานทําให้มั่นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเป็นคาถาว่าความจริงพุทธธรรมพุทธธรรมก็คือธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหล่านี้จักหามีเพียงเท่านี้ไม่เราจักเลือกเฟ้นธรรมะแม้อย่างอื่น ที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเครื่องบ่มอรหัตธรรมขยณนเพื่อสัพพัญญุตญาณ น, นะนะครั้งนั้นเราเมื่อเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้เห็นศีลบารมีข้อที่สองที่ท่านผู้สแสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าก่อนถือปฏิบัติเป็นประจำท่านจงยึดถือศีลบารมีข้อที่สองนี้กระทำให้มั่นก่อนจงถึงความเป็นศีลบารมีหากท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ จะต้องมีศีล น, นะฟังนั้นจามารีหางคล้องติดในที่ไหนก็ตามก็จะยอมตายในที่นั้นไม่ยอมให้หางหลุดลุ่ยฉันใดแม้ท่านก็จงบาเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ในภูมิทั้งสี่ภูมิทั้งสี่ในที่นี้ก็คือฐานะทั้งสี่ฐานะทั้งสี่ก็คือคืออะไรคือจัตุปาริสุทิศี ท่านจงรักษาศีลในการทุกเมื่อรักษาจตุปริสุทธิ์ที่ศีลทุกเมื่อเหมือนจามรีรักษาขนหางว่างั้นมารดาผู้มีบุตรคนเดียวถนอมบุตรคนมีตาข้างเดียวถนอมดวงตาเพราะฉะนั้นท่านจงบำเพ็ญศีลบารมีในจตุปริสุทธิ์ที่ศีลให้บริบูรณ์อย่างนั้นเหมือนจามรีรักษาหางฉันนั้นเถิดถ้าปรารถนาบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาบรรลุสัมโพธิญาณต้องมั่นขนาดนั้นนะ สำหรับจตุาริีสุดที่สีนี่นะถ้าสำหรับราวาะข้อแรก น, แนั้น้องแนะนําหน่อยได้ไหมคารวะข้อแรกก็คือกรรมบวชสิบนเนี่สมาทานกายกรรมวจีกรรมอะไรที่มันกรรมหนะักหนาที่เป็นกรรมบวอะ่ะก็สมาทานกุศลกรรมบวนั่นเองเรียกว่าปาติโมกอันนี้ต้องจําไว้เพราะเราเป็นรารวะาของพระท่านก็คือปาติโมกนั่นแหละเนจนผาแล้วก็กุศลกรรมบวชสิบกุศลกรรมบวชนี่ยังไงยังไงเราคาวาะนี่ต้องคล่องให้คลอ่องนะผ ม, มเป็นหัวข้ออย่างนไง กรรบมบทสิบนั่นเองนะปาติโมกข์ของค า, ารวาสทีนี้ต่อไปถ้าหากว่าลึกไปกว่า น, นั้นอีกก็ตาทำยังไงมองและไตไม่เป็นบาปอ่ะอันนี้ไม่ใช่บรรพชิตอย่างเดียวนะเรื่องอินทรียสังวรนศีลสังวร น, นี่นะใ่คร อ, อันนี้ก็ยาก ห, ายนะหน่อยนะลึกซึน่ลึกซึ้งหน่อยอันนี้ต่อไปก็ปัจจัยาศาตร์นิสิตศีลมานั่งตรงนี้ใครปัจเวกบางช่วยยกมือขึ้นหน่อย ปัจเจกที่อยู่อาศัยม้างคุณนภานคุณนภาะจะปัจเจกโอสาทุสาใจปัจเวกที่อยู่แล้วเนาะโมทนาด้วยคุณลุงอ่ะคนกูติไม่ได้เลยเพราะว่าแหมมันนั่งอยู่ตั้งนานแล้วเพราะว่าเข้าไปในห้องต้องปัจเวกทันทีเลยประโยชน์ของการใช้ที่อยู่เพื่ออะไรนะถ้าอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์แกการฟังธรรมเรามานั่งตรงนี้เพื่อประโยชน์แกการฟังธรรมเป็นต้นนะ ต้องใส่ใจว่าให้แม่นตั้งแต่ต้นเลยก็ฝึกสาธากาสัมปชัญญะหน่อยนะคือถ้าหากว่าสาธากาสัมปชัญญะอ่อนอย่างนี้โอ้หอสัมโมหสัมปชัญญะมันจะห่างขนาดไหนนาะอย่างนึกกันนะสัมปชัญญะมีเท่าไหร่มีสี่นะหนึ่งสาธากะสัมปชัญญะสาธากะไม่มีส ป, ปายะจะรู้ได้อย่างไรเมื่อส ป, ปายะไม่ได้โคจระสมะทะไม่มีสักข้อเลยหลุดหมดเตี้ยงวิปัสสนาไม่ต้องพูดถึง ถ้าไม่มีใครจุดชนวนขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนียบเลยนะลึกอินทรีย์อ่อนจริงจริงข้อที่ครับให้ครบมั้งอาชีวะเนี่ยก็อยู่ในปาติโมกอยู่แล้วอาชีวะปริสุทธิ์ศีลก็อยู่ในกรรมบดอยู่แล้วครับก็ม่ว่าคารวะเรานี่นะก็อยู่ในกรรมบดอยู่แล้วเอาชีวะปาริสุทธิ์ศีรรลปิดกับของพระนะครับของพระก็อยู่ในปาติโมกนะอาชีวะของพระก็อยู่ในข้อปาติโมกอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับปาติโมกและนอกปาติโมกด้วย ก็ต้องรักษาศีลแบบนี้นะที่จริงเนี่ยนะถ้ามองศีลนี่เป็นกุศลหรืออกุศลกุศลใช่ไหมศีลอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเนอะถ้ามองเห็นเป็นศีลมองเห็นศีลเป็นทรัพย์เมื่อไร่เราจะไม่รังเกียจยินดีที่จะทํำอะ่ะทําแล้วมันมีนมความฝึกนะสมมติอะลองฝึกดูนะว่าไปที่ไหนจะเริ่มสาธกาสะสัมปชัญญะเนี่ยนะใช้สอยเสยนาสนะอะไรจะพิจารณาให้หมดเลยไปเกี่ยวข้องอะไรเริ่มฝึกพิจารณานะ กลับไม่พิจารณาเนี่ยลองเทียบกันดูว่าห่างกันคนลังงานเลยอะคพลโยตเลยนะเพราะถ้าเราเริ่มมีการฝึกพิจารณาปัจจัยสี่บ่อยๆมากขึ้นนะจับผ้ า, ามาห่มตั้งพิจารณาเข้าไปในที่อยู่ที่อาศัยนั่งที่ไหนพิจารณาก่อนแล้วก็ล้มตัวลงนอนก่อนพิจารณาจะเดินไปไหนเป็นต้นก็นพิจารณานะถ้าพิจารณาระยะหนึ่งเสร็จแล้วต่อไปกุศลอย่างอื่นๆจะเกิดง่ายมากกุศลธรรมอื่นๆจะเกิดไม่ยากนัก แต่ถ้ากุศลศีลชั้นนี้อ่อนอาสะวะบางอย่างละได้ด้วยการส่องเสพเนี่ยนะเราไม่ได้ส่องเสพคือพิจารณาพวกนี้เนี่ยกุศลธรรมที่ควรจะเกิดขึ้นในชั้นสูงสงก็ไม่เกิดก็เป็นเรื่องที่น่าน่าเสียดายที่จริงอะ่ะกุศลธรรมก็เกิดไม่ยากนักหรอกที่มันเกิดยากเพราะเราคิดว่ามันคงไม่เกิดแน่นอนสิ่งที่ขวางกั้นที่สุดในการทำกุศลก็คือเราไม่เชื่อว่าตัวเองจะทาได้ นะอันนี้เป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงมากอ๊คงทาไม่ได้แนะ่นอนไม่เคยคิดจะทําเลยอ่ะแต่ถ้าหากว่าวิธีฝึกกุศลนะฝึกในการปัจจเวกเนี่ยไม่ยากอ่านึกได้เมื่อไหรเนี่ยนะเหมือนกับหมอให้ยาเราไปกินอ่ะคุณเอายานี้ไปทานนะทานวันละสีมื้อนะแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าลืมมาทําไงหมอลืมนึกได้เมื่อไหร่กินตอนนั้นเลยเสร็จแล้วถ้าอย่างนี้แล้วก็สมาทานนะต่อไปเราจะฝึกแบบนี้อีกต่อไปเราจะฝึกไม่ให้ลืมออธิษฐานอย่างนี้พักเดียว เมื่ถึงคุณบุญชูเนี่ยบุญชูเล่าว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าผมใช้รถเนี่ยต้องปัจเจกหรือเปล่าเขาบอกปัจเจกสิเขาบอกคนนั่งรถไปตั้งนานอาจารผมเพิ่งนึกได้เออนึกกับปัจเจกตอนนี้เทเลยตอนหลังก็บอกว่าขึ้นรถปั๊บปัจเจกเลยพูการเมตานี้สมาทานใบหรือเปล่าเมื่อตอนหลังมาลืมถามไม่ลืมนะภูการเนี่ยขึ้นรถปั๊บเมื่อไหร่นะขึ้นเปิดประตูนั่งรถปั๊บสมาทานที่จะเจริญเมตตาได้เลยอะขอให้ฝึกอย่างเดียวเนี่ยนะคือขอให้มีศรัทธาเท่านั้น เพรศีลเนี่ยสําเร็จด้วยศรัทธายังเข้ามาในที่อยู่เหมือนกันนะถ้ามีศรัทธาที่จะตรึกปัจเวทนะไม่ยากกุศลธรรมเนี่ยนะคนมีศรัทธายังไม่ยากโถชีวิตเขายังให้เป็นทานได้เลยเพราะเขาสมาทานอ่ะสาธุครับที่ภูการบอกว่าขึ้นรถปั๊บก็เออเราจะต้องเจริญเมตตานเะพราะขึ้นรถที่ไรนะครับจเจริญเมตตาทุกทีใช่ไหมครับของผมนะขึ้นรถไฟทีไรจะเจริญเมตตา เออแปลกไหมเพราะว่าบางเอิญความประทับใจครั้งหนึ่งที่เคยเจริญเมตตากับคนแปลกหน้ามาครั้งหนึ่งนะแล้วต่อไปพอขึ้นรถไฟนะก็เป็นอย่างนั้นนะก็ทําให้เกิดเจริญเมตตาคนข้างๆมันอย่างนั้นจริงเพราะฉะนั้นความสําคัญของการตั้งอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งไว้นี่นะฮะมีความสําคัญมากนะฮะตั้งจนเป็นนิสัยเลยใช่ไหมครับเจ้นพ่านใช่ แต่ก่อนนี้ก็มันได้เคยได้ตั้งจิตอย่างนี้นะครับหลังจากที่ได้มาศึกษาธรรมากัุรอาจานพระอาจารย์ก็เตือนหลายครั้งเหมือนกัก่อนจะขึ้นรถอ้าวประการจริบตายโอ้ยังครับก็หลังจากนั้นก็พยายามตั้งจิตอธิษฐานไว้คนระับแล้วได้ประโยชนได้เยอะครับแต่ก่อนนี้ถ้าคนจะข้ามถนนเนี่ยนะบางทีก็ขอญาตไปก่อนหน้าอะไรเงี้ยนะล้วดีใจตรงนี้ฮนะถ้าไม่มีเราเขาก็ข้ามได้แต่ เราเปิาาดโอกาศให้เขาข้ามไปได้มันเป็นการผูกไมตรีกันแล้กั น, นะก็ยิ้มให้กันและกันก็นับว่าได้ประโยชน์เยอะอตั้งใจหยุดให้ลดให้คนข้ามให้ลดผ่านไปก่อนนี่นะครับเพราะถ้าเราหยุดนะคั้นอื่นต้องหยุดหมดข้างหลังใช่ไหมครับ<ช>ถ้าเราไม่หยุดนะเขารออีกนานนะอันนี้อันนะนี่เราช่วยโอกาสทํากุศลได้เลยนะ <S <S นึก็เออเนี่เราช่วยโอกาสมาทํากุศล เราจะนึกมแบบนั้นนะฮะความจริงหยุดแค่ขรนข้ามถนนเนี่ยก็ต้องปัจเจกมันกันนะครับดูประโยชน์น <ะ S 2> ทั้งเขาทั้งเราด้วยนะเราดูรถข้างหลังกระชั้นชิดมากเนี่ยถ้าเราหยุดรถทันทีข้างหลังก็มาชนเราเราก็เสียประโยชน์เราต้องพิจารณาดูว่าเขาควรจะข้ามได้เราควรจะหยุดนั่นก็คนอื่นเพราะจะ หยุดได้แล้วก็ก็จะกระทำครับผมบางทีก็ไม่ได้หยุดให้ค้างตลอดไปต้องดูจังหวะเวลาอยู่ครับผมเพลินพานนะสาธุแสดงว่าการเจริญกุศลก็มีสาธกากันนะไม่ใช่ว่าคิดจะเจริญกุศลนะขุดรถข้างหลังเอียดแน่นหมดเราก็จอดเฉยเอียดมาข้างหลังเสยตูดเข้านี่เพราะฉันทําบุญแท้ๆเลยเงใช่ไหมนั่นก็เรียกว่ามมยานาสัมปยุทธอะไรเลยสักอย่าง <c oughs> เพราะฉะนั้นการเจริญกุศลทุกอย่างนะั้นมีโทษหมดนะถ้าไม่รู้จักไม่พิจารณานะแม้แต่ให้ทานนะถ้าให้ไม่เป็นก็มีมีโทษ ทุกอย่างในโลกนี้นะมีทั้งโทษและมีทั้งคุณเพราะฉะนั้นพยายามมองให้เห็นทั้งสองอย่างนั่นแหละก็คือเหมือ น, นเราไปตากแดดนะเอ๊ะนี่ร้อนนี่ยก็เลยดึงหาอะไรสักอานมาทำเป็นร่มสหน่อยนะก็จะพอเย็นขึ้นนะนั้นการเจริญกุศลก็จะเป็นในลักษณะนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะบางทีเนี่ยที่ไม่สปายะเลยแต่เราจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นพอเราคำนึงถึงประโยชน์ปุ๊บ ทำให้เราสแสวงหาประโยชน์จากสิ่งตรงนั้นให้ได้สักอย่างหนึ่งใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดก็ปารบรกรรมมศกตาก็ได้ปารรเรื่องกรรมเป็นต้นนั่นเองจิตของเราแทนที่จะปล่อยฟุ้งซ่านเห็นคนร้อยคนก็ไปคิดร้อยเรื่องงก็มาคิดเสเรื่องเดียวเป็นตายกับกุศลแล้วก็กุศลเหล่านี้ที่เราฝึกบ่อยๆก็จะเกื้อกูลต่อการพิจารณาพระธรรมหมวดอื่นๆต่อไปคนสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่สิ่งเหล่านี้เลย ทานศีลไม่ค่อยรู้เรื่องจู่โจมไปวิปัสสนาเยอะแยะไปหมดหลายสำนักอ่าอันนี้ก็เห็นชัดๆกันอยู่นะต่อบารมีข้อต่อไปอนะได้สักข้อก็ยังดีลำดับนั้นนะเมื่อเขาไข้ครวรอยู่ยิ่งๆเขาคือใครเขาคือใครสุมเมธดาบทนะมันนึลืมพระเอกไปเลยไปไกลมาก เมื่อเขาไข่ครวญอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นด้วยคิดว่าธรรมะที่กระทําให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้เลยเขาได้เห็นเนกขมมะบารมีข้อที่สามได้มีความคิดว่าดูก่อนสุมเมศบัณฑิตนับจําเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบําเพ็ญเนกขมมะบารมีให้เต็มเปี่ยมเหมือนอย่างว่านะจำอุปมาและบารมีว่าจาไม่ยากนะเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้อยู่ในเรือนจํา เห็นเรือนจำเมื่อไหร่ก็นึกถึงเนคขมะบารมีเลยนะทีแรกเห็นหม้อคว่ำเมื่อไหร่นึกถึงทานบารมีนะเห็นสัตว์มีหางเมื่อไหร่นึกถึงศีลบารมีเห็นเรือนจำเมื่อไหร่ปั๊บนึกถึงเนคขมะบารมีเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้อยู่ในเรือนจำมิได้มีความรักใครในเรือนจำนั้นเลยคือเรือนจำอยู่แบบทุกข์ทรมานเ่ยนะเรือนจำแบบทุกข์ทรมานเนี่ยไม่ได้มีความรักใครในเรือนจำนั้นเลยโดยที่แท้เขาย่อมรำคาญอย่างเดียว และไม่อยากจะอยู่เลยฉันใดแม้ท่านก็จงทำาพทั้งปวงให้เป็นเช่นกับเรือนจำรำคาญอยากจะไปให้พ้นจากพบทั้งปวงมุ่งหน้าต่อการออกบวชฉันนั้นเหมือนกันท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าโดยอาการอย่างนี้เขาได้อธิษฐานเนกขมมะบารมีอธิษฐานตั้งขึ้นนะที่แรกไม่มีหรอกแต่สมาทานา จ, จะทำให้มีขึ้นน่ะ แล้วก็อธิษฐานเนคขมมะบา ร, รมีข้อที่ส ม, มั่นแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านในที่นี้คือใครไม่สุมเมศแล้วนะนี้พระพุทธเจ้าแล้วนะท่านตรงนี้ก็คือพระพุทธเจ้านะจึงตรัดเป็นพระคถาว่าความจริงพุทธธรรมเหล่านี้จักไม่มีอยู่เพียงเท่านี้คือตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนเล่าเล่าเรื่องเขาบางครั้งหมายถึงสุมเมศเขาบางครั้งหมายถึง อ, อย่างท่านตรงนี้หมายถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธพธจน์จึงตรัดว่า ความจริงพุทธธรรมเหล่านี้จักไม่มีอยู่เพียงเท่านี้แน่เราจักเลือกเฟ้นธรรมะแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณคราวนั้นเราเมื่อเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้เห็นเนกขมมะบารมีข้อที่สามที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติเป็นประจำท่านจงยึดเนกขมมะบารมีข้อที่สามนี้กระทาให้มั่นก่อน จงถึงความเป็นนน่ขมะบารมีหาท่านปราถนาบรรลุโพธิญาณโพธิญาณหมายถึงอะไรนะโพธิญาณหมายถึงอรหัตตมัคคยานเป็นประทัดฐานแห่งสัพพัญญุตยานอรหัตตมัคคยานและก็สัพพัญญุตยานนั่นเองบุรุษผู้อยู่ในเรือนจำลำบากเพราะทุกข์มิได้เกิดความยินดีในที่นั้น ย่อมสแสวงหาทางที่จะพ้นไปถ่ายเดียวชันใดท่านจงเห็นพบทั้งปวงเหมือนเรือนจาจงตั้งหน้ามุ่งต่อการออกบวชเพื่อพ้นจากพบชั้นนั้นเถิดบอกโก้คนอยู่ในเรือนจาไม่ได้รู้สึกยินดีเลยนะมองเห็นวิบากและกรรมชรูปในทุกภพภูมิเหมือนอย่างนั้นอนะ่ะไม่รู้สึกยินดีเลยอะ่ะไม่ไม่น่าพิรมซาบอย่างอย่างเงี้ยนะ ก็สแสวงหาเนคขมม ะ, สะแสวงหากุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคำว่าเนคขมมะบางทีก็เป็นชื่อของกุศลธรรมทุกชนิดด้วยนะมาถึงตรงนี้นะครับนี่เป็นบ ร, รมีของพระโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญในเรื่องเนคขมมะก็แสดงโดยการออกบวชระคะทะพูนสั้นๆนะแต่ในฐานะที่ผมจะตรัสรู้ตามเรื่องเนคขมมะเนี่ย จะลักษณะเบาบางแค่ไหนคงไม่ออกบทตามท่านมึงก็คือขอให้มีใจเห็นโทษของตามเนี่ยนะให้มากไหนก็ใช้ได้แล้วนะคือให้เห็นโทษหรือว่าให้พิจารณาบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นเราต้องมีความพลัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปเนี่ยนะให้มีแนวความคิดแบบนี้บ่อยๆแล้วคิดหาโอกาสที่จะทำกุศลให้มากๆคิดแสวงหากุศลเนี่ยนะ ยกตัวอย่างนางวิสาขาเนี่ยนะขนาดเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยท่านสแสวงหาทางเนี่ยนะท่านขอพรแปดประการจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะทําอคันตุกะพัดเนี่ยนะยกตัวอย่างท่านขอทําอคันตุกะพัดเป็นต้นถามว่าทําไมท่านจึงขอพรจากพระผู้มีพระภาคเพื่อทําอคตันทุ ก, ก, พ ะ, กะพัดและขมิกะพัตนะถ้าพระองค์ไหนที่มาจากเมืองอื่นนะมาเมืองสาวัตถีขอให้ไปฉันทที่บ้านของนาง ถ้าองค์ไหนจะเดินทางจากเมืองสาวัตถีไปที่อื่นขอให้ไปฉันที่บ้านของนางก่อนก็จะมีพัดสองอย่างนี่ถามว่าทําไมจึงขอพร อ, อันนี้ขึ้นนางบอกว่าตอนหลังจะได้ข่าวว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมรณภาพก็จะมีการถามว่าภิกษุรูปนั้นท่านบรรลุคุณธรรมอะไรบอกเป็นพระโสดาบันแล้วนางก็จะถามต่อว่าเออภิกษุรูปนั้นเคยเมื่อเมืองสาวัตถีไหม ถ้าเคยมานางต้องเคยทําบุญอย่างแน่นอนอันนั้นก็จะเป็นไปเพื่อปีติปรามโมชกนันนะเออตั้งไว้แบบนั้นอ่ะครีดหาวิธีทํากุศลไปด้วยด้วยด้วยด้วยหาช่องทางในการทํากุศลอ่ะนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันนี้ยกหนึ่งตัวอย่างนะก็จะเป็นลักษณะนั้นหาช่องทางในการทํากุศลบ่อยๆเรียกว่าเนคขมมะของเราเห <คน S 1> มือนกันคนที่เข้าใจหาช่องทางทํากุศลนี่ยผมสังเกตหลายท่านนะที่อยู่ในแวดวงของเรานี่ยนะนบางคนที่มองหาที่เรานึกไม่ถึงนะ เออทั้งเป็นวัตถุทานทั้งเป็นการสงเคราะห์อะไรแบบต่างๆน ะ, ะเขามองเห็นนะที่จะทนะํานั้นเรายังมองไม่เห็นเลยนะครับโอ้แปลกจริงๆสําหรับเรื่องที่นางวิสาขานี่นะครับที่ตั้งว่าอย่างนี้เนี่ยครับมีเหตุผลอะไรอีกหน่อยไหมครับมีเหตุผลก็คือนางจะได้มีช่องทางในการทำํำกุศลและเพื่อปีติปราโมทเวลานึกถึงเท่านั้นเองนะเพราะว่าปีติปราโมทที่เกิดจากกุศลธรรมเนี่ยนะ <c oughs> พระอริยาสาวกท่านไม่ละเลย พราะพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรไม่ควรละเลยเนคข ม, มสุขะนั้นความสุขจากกุศลธรรมเนี่ยไม่ได้สอนให้ละนะสอนให้ให้เจริญแต่ความสุขที่เกิดจากกามควรรังเกียจคือท่าที่เคยพบมันะฮะคือเหตุผลอันหนึ่งนะครับที่ที่ให้ทําอย่างนี้หมาวามว่าพระอาคันตุ ก, กะที่มาใหม่กับที่มีอยู่เดิมจะออกจากเมืองสาวัตถีนะแล้วที่มาใหม่นี่นะครับทั้งผู้มาและผู้ไปเนี่ย มีปัญหาเรื่องขัดนิดหน่อยคือสําหรับผู้มาใหม่เนี่ยเมื่อมาแล้วเนี่ยนะครับเวลาใดก็ยังยังไม่ไม่แน่นอนใช่ไหมมาถึงเมืองสวัสดิ์แล้วจะไปบินธบาติที่ไหนก็ยังไม่ค่อยรู้ช่องทางนะครับไม่เหมือนกับว่าพระที่อยู่เก่าใช่ไหมครับไปบิณธบาติพระใหม่ๆไปที่อื่นแปลกที่ไม่แน่นะจะได้ชั้นหรือเปล่าใช่ไหมก็ถ้าหากว่าตั้งไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับพระมาใหม่ก็มา มานี้ก่อนเลยอย่างน้อยที่สุดก็มือแรกได้ฉันไปแล้วนะครับหรือพระผู้จะเดินทางนั้นนหละผู้ที่จะเดินทางจาริกไปที่อื่นๆนี่นะครับก็อาจจะต้องออกจากเมืองสาวัตถีเนี่ยไปตามเวลาที่กองเกวียนก็ดีหรือว่าคณะก็ดีเนี่ยเขาจะต้องเดินทางไปเวลาที่ออกก็ยิ่ชักไม่ค่อยไม่แน่นอนแล้วอาจจะไปตรงกับเวลาบินทบาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็นายสาขาบอกออนี่คง ม, มีความจําเป็นนะถ้าขยะ ออเดินทางก็มาที่นี่ก่อนได้เลยอันนี้ไม่ทราบมาอยู่ที่ไหนผมอันนี้ก็พี่เดียวกันนะด้วยในในที่นั้นด้วยนะถ้าก็กล่าวว่าเรื่องอุปสรรคของพระที่เดินทางมาถึงใหม่ๆเรียกว่าคันตุกข์กับพระที่เตรียมจะออกเดินทางไปที่อื่นก็จะมีปัญหาแม้แต่ในแวดวงของพระที่รู้จักกันก็เป็นลักษณะนั้นเจะต้องวางแผนนะเพราะว่าไปเนี่ยสมมุติว่าจะไปต่างจังหวัดเนี่ยนะรถไปถึงโน้นกี่โมงถ้าไปถึงเก้าโมงเนี่ยส่วนใหญ่เมืองไทยเนี่ยบินทบาทไม่ค่อยได้ มันไม่ได้แล้วทีนี้จะจะไปรู้จักใครที่นั่นบ้างแล้วเขาจะทําบุญประเภทนี้ไหมนะรู้ว่าจะได้ชันหรือเปล่าวันนั้นถ้าธุระจาเป็นจริงๆก็ต้องยอมอดอ่ะเพราะว่าจะต้องไปถึงบ่ายอย่างเงี้ยถึงบ่ายแล้วก็หมดสิทธิ์แล้วหรือไปถึงช่วง11บเอโมงเป็นต้นเนี่ยไปบินทบาทที่ไหนก็จะเป็นในลักษณะนั้นรู้สึกว่าพระที่จะปฏิบัติตามพระวินัยข้อนี้ก็ไม่ใช่ของฉานนะเพรา ะ, ะเราคารวะจะต้องช่วยท่าน สงเคราะห์ท่านนะครับการเดินทางก็ต้องวางแผนให้ตลอดนะฮะให้ส่งถึงอีกจุดหนึ่งโดยที่ท่านไม่ต้องต้องลําบากในเรื่องปัจจัยต่างๆก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะบางทีไปถึงนั่นจะบางทีก็ต้องฝากปัใจจัยให้กับกระเป๋ารถนะฮะ บ, บอกว่าเออเราถึงนั่นแล้วนะช่วยจัดหาอาหารให้อะไรอย่างนี้นะครับเป็นไปได้ไหมครับได้หรือออีกอย่างหนึ่งสมมุติถ้าหากว่าไปถึงจะถวายอาหารท่านใช่ไหม เราก็ประเคนไม่ได้พระจะรับประเคนค้างคืนไม่ได้อย่างไงยเราก็ฝากไว้กับคนรถก็ได้เช้าก็ช่วยประเคนให้หน่อยนะพอไปถึงตรงนั้นช่วยประเคนให้หน่อยนะหรืออาจจะไปวางไว้ใกล้ๆวางางั้นเช้าถ้ามีคนประเคนก็ก็ให้เขาประเคนให้หน่อยนะผมวางของไว้ตรงนี้นะผมวางไว้ในกระเป๋านี้นะถ้าไปถึงโน้นแล้วก็ช่วยบอกเขาหน่อยนะให้เขาประเคนให้ทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้ให้พระท่านรู้ไว้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตรงไหนแต่ว่าอย่าเพิ่งประเคนอันนี้ก็อย่างหนึ่ง หรือว่าถ้าท่านจะต่อรถไปก็ยกตัวอย่างเช่นมีคนจะไปกรุงเทพท่านก็จะไปกรุงเทพในผู้โดยสารด้วยกันเนี่ยนะพอคนนี้ไปลงกรุงเทพด้วยกันใช่ไหมเราก็ดูคนที่คิดว่าพอไว้ใจได้พอไว้ใจได้เพราะว่าบางทีกระเป๋ารถก็ไม่แน่นอนนักนะก็ฝากปัจจัยไปก็ได้ฝากกับคนเหล่านั้นว่าให้เขาช่วยต่อรถให้ทีหนึง่งถ้าปัจจัยที่เหลือก็หาพวกเครื่องดื่มเป็นต้นถวายท่านก็ได้ลักษณะ น, า น, า น, นี้ก็ได้ก็ <c oughs> อ่าอันนี้เราฐานะคารวะเราต้องรู้นะครับพระวินัยจำเป็นต้องรู้อย่างท่านอาจารย์บุษาวงบอกว่าอันที่จริงเนี่ยนะครรวดก็ต้องเรียนรู้พระวินัยด้วยถ้าไม่รู้เนี่ยนะเราจะปฏิบัติกับที่ท่านอยู่ลำบากนะฮะอันนี้ก็มีอะไรคุณพินุอันนี้กราบเรียนถามนะครับเมื่อกี้ในฟังภูพันธนัตบอกว่าตั้งใจขึ้นรถนี่ ตั้งใจว่าจะเจริญเมตตาอันนี้เกิดจากการสมาทานตั้งใจทีนี้ก็เลยอยากจะถามเกี่ยวกับตัวเองเพราะไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นปกติธรรมดาแล้วตัวเองเนี่ยจะเป็นคนไปทํางานเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยจะคิดถึงเรื่องแรกคือว่าสภาพจิตเดี๋ยโลภะเกิดไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติแบบไหนไม่รู้นะแต่จะถามให้พยายามดูว่าโลภะเกิดไหมตื่นเช้ามาจะคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องค้อมอยากได้อะไรก่อนพยายามดูตรงตรงนี้และกลางวัน ต่อไปก็พยายามสังเกตดูว่าโศสะเกิดไหมแต่ไม่ได้ตั้งใจนะแต่พยายามจ ะ, จะจะจะทำให้เป็นปกติดูตรงนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วก็พอเย็นมาปุ๊บก็สังเกตดูราค่าเกิดไหมลักษณะอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็พยายามสังเกตดูตัวเองเช้ า, ดดามามีโลภะเกิดขึ้นไหมครอบงำไหมกลางวันลักษณะของสภาพจิตมีโทโศสะเกิดขึ้นไหมเย็นมาพยายามสังเกตลักษณะของราค่าเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองปฏิบัตินี่คือธรรมะข้อไหนแต่ก็ จะพยายามทําลักษณะอย่างนี้อยู่เป็นปกติปกติแต่นี้ก็เค ย, เคยกราบเรียนถามว่ามันเป็นธรรมะข้อไหนมันอยู่ในกุศลจิตยังไงก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะแต่ก็คิดอยู่ทีนี้ถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้นะถ้าพูดสัมนวนในหนึ่งเขาเรียกว่าสัทธะแทบไม่เกิดเลยชั้นต้นเนี่ยนะสาตกะไม่มีเลยเพียงแต่ว่ารอให้เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วค่อยคิดจัด ก, การ ถ้าพูดคำหนึ่ในหนึ่งก็คือไม่ได้รับการวางแผนไว้ก่อนเลยนะแล้วแต่อะไรจะเกิดแล้วค่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเฉพาะหน้าไปถ้าลักษณะนี้นับว่าเสี่ยงค่อนข้างมากที่ว่าเสี่ยงนะถ้ากรร ม, มสกตามไม่แน่นนะถึงกับล่วมกรรมบก็ได้เพราะพราะเราคอยให้เหตุการณ์เกิดก่อนใช่ไหมถ้าโทสะเกิดขึ้น้จะแก้กันยังไงเออนี่โทสะเกิดแล้วนะก็รู้เฉยๆก็เหมือนกับว่าเออรู้แต่ต้องใช้สตังเนี่ยนะต้องจ่ายแน่นอนมันเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วรู้ว่าต้องจ่า ย, ย่เีย อันถ้าเป็นลักษณะนั้นก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้วิธีการบริหารทรัพย์อะไรเลยเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลเนี่ยนะควรที่จะตั้งไว้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าวันนี้จะทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ปรารบตั้งใจที่จะทํากุศลส่วนนั้นๆไปเลยให้เกิดจากความตั้งใจเกิดจากการสมาทานเป็นต้นดีกว่าที่ว่ารอให้เหตุปัจจัยเกิดถ้าปล่อยให้เหตุปัจจัยเกิดนะการศึกษาพระธรรมคําสอนของเรานี้ประโยชน์ไม่มากนักจริงๆ เพราะว่าคําสอนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นไปเพื่อการจัดการดังนั้นเราเราจึงแยกเรื่องอริยสัจว่าทุกขสัจควรรอบรู้สมุทยัยสัจควรละนิโรธสัจควรทําให้แจ้งมรรคสัจควรเจริญดังนั้นกุศลธรรมเนี่ยต้องเกิดจากการเจริญทําอย่างไรจึงจะเจริญกุศลธรรมได้มากๆยกตัวอย่างที่ว่าอย่างขึ้นรถไปแล้วสามารถเจริญกุศลอะไรได้บ้างนะเมื่อเราจะทานอาหารเนี่ยจะทํากุศลอะไรได้ม้างในขณะที่ทานอาหาร ขณะที่ยืนเดินนั่งนอนขณะที่ทํางานเป็นต้นแล้วเนี่ยทํายังไงจึงจะเจริญกุศล น, นั้นๆได้เราจักไม่ปล่อยถ้าชีวิตคนที่ปล่อยเลยก็คือประมานันเองก็คือค อ, คอยให้มันเกิดขึ้นอะ่ะเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นบางอย่างเราแก้ไม่ได้นะถ้าเราไม่มีความสามารถเพียงพอนเนี่ยตั้งตัวไม่ทนแน่นอนแต่ถ้าเราได้รับผ่านการวิจัยมาหมดแล้วเหมือนกับการเดินทางเนี่ยนะ ยกตัวอย่างผู้ที่เดินทางที่ฉลาดที่สุดเนี่ยนะปัญหารถติดเขาจะน้อยมากปัญหาไปไม่ตรงเวลาก็น้อยถ้าเขาวางแผนเป็นอย่างนีเนี่ยนะเขาจะรู้เลยว่างานนั้นเขาควรจะไปถึงก่อนเวลากี่นาทีจะเลี่ยงวิธีไหนบ้างมีถนนเส้นอื่นไหมที่รถไม่ติดเป็นต้นเนี่ยนะงานนี้เป็นลักษณะงานอย่างไรเขาจะไปได้จนถึงโดยสวัสดีเขาจะไม่ไปถึงโอ้ขอโทษรับรถติดอันนี้แสดงว่าอันนี้ก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเย เพื่อที่จะรักษาไอาความรู้สึกตัวเองนิดหน่อยเท่านั้นเองอแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องจริงๆเพะนั้นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องจริงๆก็คือศาสตกะสัมปชัญญะนั่นเองของเราก็คือคํานึงถึงประโยชน์เป็นต้นนั่นเองพยายามศึกษาวิธีการหลายๆวิธีการให้มากๆเพราะนั้นพระราหุลเนี่ยท่านจึงเป็นผู้ใไขในการศึกษามากที่สุดถ้าท่านมีข้อมูลมากเท่าไหร่นะท่านสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากเท่านั้นและชีวิตจะได้รับการวางแผนเป็นอย่างดี ันผู้ที่ศึกษาคำสอนมากๆจะเป็นลักษณะนั้นผู้ศาสนาสอนเรื่องประโยค่ะนะกายะประโยค่ะวจีประโยค่ะและมนโนประโยค่ะ